แล้วก็ต่อให้ความเคารพอย่างพ่อคำเขียนว่กรมขกเขากลาพเ่อนสักรตัมมิกตุกโรบเจริญพรเจริญทรมาอมย่างกุญแม่ชีแล้วก็ น, กนทำทุกท่านเราก็ นั่งกวางคำพูดกันคำพูดก็จะมีหลายประโยคหลายพยางหลายคำแต่ว่าจับประเด็นออกแก้ความรู้สึกตัวมันก็จะก่อประโยชน์สูงสุดเร า, ามาทำอะไรกันเราก็มา ฝึกสติมีความรู้สึกตัวกันมันก็มีรูปแบบมากมายแต่ว่าเราก็พยายามที่จะฝึกหัดกันตามแนวคำพูดของครูบาอาจารย์มันเป็นรูปลักษ์เป็นอัตลักษ์เป็นเอกลักษณ์ก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกตัว มันจะเป็นสิบสี่จังหวะมันจะเป็นสิบห้าจังหวะหรือมันจะเป็นกี่จังหวะมันก็คือหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตที่มันกลับมาสู่โลงความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเราจะลงความคิดของการปรุงการแต่งที่มันคิดเอาธรรมะคิดเอาเป็นการสัมผัสขณะแต่ละขณะ เราจะได้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมซึ่งทุกๆอาการทุกๆผัสสะทุกๆอารมณ์มันก็ดีทั้งหมดนั่นะมันคือการศึกษาไม่ได้เห็นของจริงที่กำลังปรากฏตรงนี้นจะได้คำตอบไม่เป็นคำตอบของใครของเราละที่มันจะยิ้มได้เมื่อภัยมา เกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้เราก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวกันขณะเดียวขณะเดียวขณะเดียวไปเรื่อยๆโดย่ดยาเบื้องต้นให้ใส่เจตนาลงไปสักหน่อยใส่เจตนาหนามยอ่ออันหําบ่งกันเมื่อก่อนมันเคยเจตนาคิดดีพูดดีทำดีเจตนาคิดชั่วพูดชั่วทําชั่ว ตอนนี้เรเจตนารู้สึกตัวเจตนารู้สึกตัวตรงนี้นหนามย่อกับ้ําบงกันมันก็จะได้มืนก็ว่าทําให้เราได้ประสบการณ์อ๋ออันนี้คือตัวการรนะะลึกรู้นะระลึกระลึกระลึกอันนี้มันไหลไปแล้วมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันไหลไปมันหลงไป เริ่มเน่อเริ่มตัวตรงนี้มันก็เริ่มที่จะเห็นปฏิกิริย า, าการเห็นลองเห็นลอยระหว่างรู้กับหลงรู้มันก็รู้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้หลงก็หลงไปและนะหลงไปนในสิ่งที่มันเคยเป็นในสิ่งที่มันเป็นนิสัยอุปนิสัยแล้วก็สันดาน เขาจะไปตามความคิดความนึกทีนี้เรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวนะก็ปฏิบัติธรรมตรงนี้เองเราก็ได้เห็นในตัวเราเนี่แหละทุกคนก็มีทั้งนั้นนะสภาพธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าเราไม่เคยที่จะเหมือนกับว่าเรียนรู้เรียนรัดนะมันกลายเป็นเรื่องของ ตีโค้งอ้อมไปทำทานก็เป็นลนักษณะของความงมงายเขาว่าดีก็ทำหรือว่ารักษาศีลก็เป็นความงมงายเขาว่าอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำก็รู้สึกแปลกๆ ป, ปัญญาเป็นปัญญาเฉกโกแบบปุถุชนคนทั่วไปที่เป็นเรื่องของ ปัญญาแบบโลกๆ ก, กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเราได้เห็นว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจทาให้เกิดความทุกข์จริงๆแปรอดตก็มีแปรนาคตก็มีคิดวิพาวิจารก็มีมันก็คิดเป็นเหตุเป็นผลมันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ถูกในแง่ของปรัชญ า, าสภาวะการปฏิบัติธรรม บางทีเราก็มีปัญญามากความคิดมันเยอะมันก็ฟุ้งซ่านไปขณะที่เรารู้สึกตัวเราก็ได้เห็นมันคิดมากจริงๆมันไหลบางทีมันก็คิดแก้ปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆที่แก้ไม่ตกมันก็ดันมาคิดออกตอนนี้เยฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคิดก็มันอยู่นั่นนะมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวบางทีก็ทําไปสมาธิก็มากน มันก็เกิดอาการหลายอาการเป็นลิตริของสมาธิมันกเกิดขึ้นไหมโลงโป่งเบาตื่นตัวหรือว่าอิ่มอกอิ่มใจบางทีก็นิ่งสงบเฉยเหนื่อ ย, อยก็มีบางทีก็นิ่งเคลื่อนไปไม่ได้ต้องนั่งหลับตานิ่งๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันเราก็เห็นล้มันต้องปรับให้พอดีวิธีปรับ เราก็สังเกตเอาถ้ามันนิ่งๆเฉยๆแล้วก็เคลื่อนไหวให้มันรุนแรงขึ้นให้มันเร็วให้มันกระทบสัมผัสตื่นตัวหัวจหเจรต์ตาไปเลยมีความรู้สึกตัวบางทีมันอาจจะงอกง่วงเนี่ยก็ต้องแก้อารมณ์ตัวเองเอาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเมื่อวานมีนักกรรมฐานถามว่า มันวิ่งได้เลยแม่อาจารย์ก็วิ่งรู้สึกตัวได้ก็วิ่งไปมันไม่ได้เกี่ยวกับนั่งไม่ได้เกี่ยวกับเดินไม่ได้เกี่ยวกับยืนไม่ได้เกี่ยวกับนอนเกี่ยวกับรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ใช่หมดนะนเคลื่อนไหวให้มันรู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตัวคือการฝึกสติการเจริญสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานที่จะพาสู่มรรสู่ผลต่อไป บางทีมันก็มีความขยันมากเหมือนกันยิ่งทํายิ่งเบาภาษาธรรมมาก็เรียกว่ากายระหุตาจิตตะละหูตามันเบามันก็จะขยันมันจะชวนทำํำเราก็ไม่ให้ความขยันมันมันพาทำํำก็เหมือนเวลาทํางานนะมันมันขยันขึ้นมามันได้อารมณ์การทํางาน มันก็จะตกล่องตกลมติดลมบางทีก็ลืมรับประทานอาหารลืมนอนไปเลยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันถึงเวลาก็ต้องรับประทานอาหารถึงเวลาก็ต้องนอนกันพักผ่อนพักนานมันก็ไม่ดีเหมือนกันพักนานก็เฉยเฉยเมื่อทํางานเหนือหน่อยๆนะเหงื่อออกร้อนได้ที่นั่งดื่มน้ํากันนั่งพูดนั่งคุย เดี๋ยวเผล อ, อมั น, ม, นมันขี้เกียจไปเลยเหมือนกับทํางานแล้วก็พักร้อนยาวๆเหมือนกันอย่างช่นนีน้ช่วงปีใหม่พักร้อนยาวๆถ้าพักยาวๆเดี๋ยเผล อ, ม, อมันกลับไปทํางานมันจะมีความสึกเบื่อๆขึ้นมาไม่อยากเข้าไปทํางานเงี้ยอันนี้คือมันพักนานเกินไปเพียนมากเกินไปพักนานเกินไปมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันเราก็รับรู้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงกัน ไม่ถือว่าผิดนะจะถือว่ามันกำลังปรับอยู่ให้เกิดความพอดีต่อไปเพราะฉะนั้นการฝึกสตินี่ว่จะเป็นลนักษณะของประสบการณ์ที่มันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดนะมันก็จะเป็นประสบการณ์ของกครของเราที่เราก็สังเกตเอาอะไรก็ตามนะที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันช่วยเราก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่เราจะต้องรับรู้รับทราบเป็นประสบการณ์ทั้งหมด หนาวก็ดีร้อนก็ดีบางทีมันก็มียุงมีมแมลงเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินเราก็จะได้เห็นว่ามันคือธรรมชาตินั่นนะกฎของธรรมชาติปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นกฎของธรรมชาติบางทีนะอรรมาก็สังเกตดูว่าผมแล่าธรรมาสังเกตดูว่าเวลามันหนาวจัดๆเนี่ยนะหน้ามันก็ลอกหรือบางทีผิวเนี่ยมันจะเกิดเซลล์ตายขึ้นมา ก็อมองนะโอ้ดีนาะเนี่ยเซลตายก็เพื่อที่ให้ความหนาวมันไม่เข้าลึกถึงเซลลด้านในอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีเซลลตายเนี่ยอุทิศตัวในเนี่ยมันก็จะมันก็รับอากาศหนาวแล้วก็ตายลึกลงไปตายลึกลงไปมันเซลล์ชั้นนอกก็ช่วยชั้นในอยู่างเงี้ยโอ้มันดีเนาะมันเนตียยสล่ะกันนี้ถ้าฉลาดกว่านั้นก็ เอาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยอันนี้ก็คือเซลล์ที่มันตายแล้วเหมือนกันเอามาจากข้างนอกนแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลอนกลนก่ก็มาด้วยด้วยความดีด้วยบุญอย่างเงี้ยเราเป็นพระสองเราอาใส่ความดีะของบรรพบุรุษอาใส่ความดีของสรรพสัต์สวรสิ่งอาใส่ความดีขององค์สมเด็จสัมมาวชิระเราก็ได้มานี่ยก็เรียกว่าอา บินตาบาดเนี่ยบินตาบาดเศษนำโพกษุบมาให้เเราเสร็จแล้วเราก็มาหอมโอ้มันดีนาะมันอุ่นเซลล์ชั้นนอกก็ไม่ต้องตายเซลล์ชั้นในก็ไม่ต้องตายหรือว่าตายก็ตายน้อยเต็มทีเนี่ยก็เป็นลักษณะของธรรมชาติที่เป็นความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เราปฏิสังขารโยมะสักคู่เนี่ยเป็นลักษณะของ ปัจเวกก็ว่าได้นะปัจเวกขณะยานเนีเบื้องต้นเราฝึกสติจนทั้งเรารู้ถึงเรื่องรูปน้ำรูปนามนามรูปรูปนามก็คือกายของเราที่เรียกว่ามหาปุถารูปร่างกายทั้งหัวเท้าเท้ามีท่าสี่นี่นะมันเป็นมหาปุถารูปไอ้ที่แช่แช่เราก็คือน้นํา น, น่ะนะไอ้ที่อุ่นอุ่น เราสัมผัสได้มันก็คือาธาตุไฟนั่นเองที่ก็เย็นไอ้ที่แข็งแขงสัมผัสจับต้องได้อันนี้ก็แน่นอนาธาตุดิ น, นลมหายใจลมเบื้องบนลมในช่องว่างลมเบื้องล่างอันนี้อ๋อมหาปุถารูปเี้ยแต่ลักษณะของติดของเรานที่มันมีอุปทานเข้าไปยึดไอตัวนี้เถินเนี่ยยึดมันเป็นยางเหนียวเลยนะยางเหนียวมันเป็นลักษณะการติดยึดน ที่มันจะยึดอะไรมากอะอุปทานไปยึดในความามีความใกล้ในความสุขบางทีก็เห็นถูกบางที่เห็นผิดเป็นชอบต่างๆมากมายแล้วก็มันเกิดแล้วนะการเข้าไปยึดในความคิดเนี่เองาไปยึดเราเห็นการว่าไหวมันการาปฏิบัติอ๋อมันไหวมันยึดอะไรอีกคำพูดบางทีมันก็ยึดเหมือนกันยึดคํานี้คํานี้คํานี้คำนี้นนนนยึด จอท่านมันก็ว่าเอามาเป็นเรื่องการทะเลาะ ก, กันได้แม้กระทั่งเรื่องดีๆเนี่ยนะอย่างเช่นก็ประชุมกันแค่สิบสี่จังหวะสิบห้าจนะังหวเนนี่ะมีการประชุมกันก็ก็ต้องสิบสี่ต้องสิบห้าจริงๆเท่าที่เคยสังเกตนะมันแค่ครั้งเดียวแต่นั่นนะขณะเดียวนะ่ะมันเป็นเรื่องของขณะตนะิดแต่ว่า ถ้าเป็นกรอบระเบียบกติกาข้อกำหนดตกลงร่วมกันของสังคมเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันก็กต้องคล้ายๆกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นคนแรกท่านแรกที่ท่านดำรีขึ้นมาท่านชี้ว่าอย่างไรแล้วก็เคารพอย่างนั้นไปเลยโดยไม่หาเหตุหาผลว่ามันทำไมก็เป็นการเรียกว่าบูชาหรือว่า ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นบรมโคหรือว่าเป็นปุจนียบุคคลเพื่อให้เกิดการสืบสารแล้วก็เป็นไปแล้วนของรูปลักษณ์อัตลักษณ์อย่างเช่นว่าเราต้องการฝึกแนวสิบสี่จังหวะอย่างงี้นะสิบห้าจังหวะหรือว่าหนึ่งจังหวะแบบรูปแบบเคลื่อนไวหวมือก็มีวัดป่าสุกโตหรือในสายงานอีกประมาณร้อยสี่สิบวัดอย่างเงี้นะแล้วก็มากัน จะว่าเป็นสูตรสำเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งเราก็มาศึกษากันบางทีก็ทดลองดูพิสูจน์ดูบางทีเราก็เห็นผลแล้วว่ามันดับทุกข์ได้จริงตามลำดับตามขั้นตามตอนแล้วเราก็เรียนรู้ต่อๆยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราอยากจะเรียนรู้ว่าอาณาปาณสติก็าทำยังไงเราก็ต้องไปส่วนโมกชัดเจนถ้าเราอยากรู้เรื่อง พุโทโธยุบหนอพองหนออยากรู้เรื่องสัมมาหลังเราก็ต้องพาตัวเองไปอยากรู้เรื่องศีลวัตฏปรามาตย์เนี่ยก็ต้องไปหาเจ้าสานักสันติอโศกเนี่ยเราก็ฟังท่านพูดไปยังไงเราก็พร้อมตกใดยพายกะจนลักษณะของวิสัยบัณฑิตเนี่ยไม่ได้ด่วนรับหรือไม่ได้ด่วนปฏิเสธอย่างไรแต่แลกรณี น, นี้วันนี้ขณะ น, นี้เราอยู่ที่นี่วัดป่าสุกโตเราก็ใช้กันนะ กายเคลื่อนไหวใจรู้อยู่กายก็เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวข้างนอกเห็นชัดๆเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ลมหายใจมันก็เล็กๆหน่อยไม่ต้องเจตนามันก็หายใจได้นอนหลับก็หายใจได้แต่ลองเคลื่อนมือสิบสี่ว่าแค่งโงงนะ่วงนายยกมือไม่ขึ้นแล้วก็บอกถึงกําลังของสติที่ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงหรือว่าหมดเรียวหมดแรงไปเราก็ต้อง ปรับเลปรับตัวปรับกายปรับใจกันนี่นะเป็นต้นก็ประโยชน์กันนะไม่ถือว่าผิดเปรียบเทียบกนันก็คือเหมือนกับร้านอาหารร้านอาหารนี่ทุกๆุร้านที่กําลังเปิดขายอยู่นะเขาก็ทําอร่อยทุกร้านนะแต่ว่าเหมาะกับลิ้นเราหรือไม่เราก็ต้องไปชิมดูไปชิมดูว่า มันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยถ้ารับประทานแล้วสุขภาพมันดีขึ้นนะถูกริ้นนะก็แสดงว่าอุมก็เหมาะตามจริตนิสัยนะก็ไม่ถือว่าวิธีการต่างๆผิดแต่เราก็ปรับให้มันเหมาะสมกับเราแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดก็เปรียบเหมือนกับลอรถยนต์ที่มันวิ่งไปเป็นยานนั่นเอง รอหมุนไปมันก็ไปข้างหน้าเป็นยานตะลุตะลวงไปผ่านไปถึงจดหมายปลายทางนะการที่กายเคลื่อนไหวใจรู้ใจนิ่งดูอยู่นะี่ภาวว่าผู้ดูที่กําลังนะพัฒนาตัวเองเป็นสมาธินะเป็นกําลังของสมาธิตั้งมั่นกับการดูกายเคลื่อนไหวนะมันกําลังศึกษานะเป็นกระบวนการปัญญานะที่เป็นปัญญาวิปัสสนาญาณเนีนะ่ยนะมันกําลังก่อตัวขึ้นมาเกิดขึ้นมาขณะต่อขณะ นีมันจะเกิดประโยชน์นะยิ่งรู้ทันความคิดมัทหลายนะเมื่อก่อนเราก็อยู่กับความคิดหมกมุ่ น, นจนเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติตอนนี้มันถอยออกมาหยุดอยู่ตรงสภาวะของปกตินจนได้มาตรฐา น, นจนมันมีพลังนะจนเกิดความเป็นพระขึ้นมาเกิดความเป็นพระจันทร์ขึ้นมาก็คือมันปกติี่ มันมีจุดที่อยู่มีความเป็นกลางมีความสมดุลตรงนี้แหละมันจะเกิดพลังขึ้นมาเราก็ได้เห็นประโยชน์เห็นอนิสงเห็นอาการของสติปัฏฐานที่มันก่อตัวจนเป็นพลังของขันที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าขันศีลถีขึ้นปกติมากขึ้นนี่ มันก็จะเป็นขันเนะมื่อก่อนมันหลงไปในรูปขันหนะลงเข้าไปในลักษณะของธาดน้ําธาดไฟธาดตีนธาดลนะ้มต่อมามันก็หลงไปลักษณะของจิตคิดหนะลงไปอยู่ในลักษณะของการปรุงการแต่งนะแต่ตอนนี้มันเป็นการสัมผัสความเป็นปกตินะธรรมชาติเดิมๆแท้ๆของจิตในขนาดที่มันไม่ปรุงนะนีมันปกติอยู่เราก็จะได้เห็น ลักษณะของธรรมชาติรูปรธรรมนามธรรมที่มันกำลังก่อตัวของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆถ้ารู้มันเป็นยังไงเนี่ยจงทางก็มีภาษาพูดกันมากมายแล้วกันถ้ารู้ตัวรู้ก็เปรียบว่าวิชาตัวรู้นะเปรียบมันก็คําว่าวิชานีรู้เรื่องโลกโลกก็เป็นวิชาแบบโลกโลกมีศาสตร์มีคำว่ากรรมต่อท้ายวิศวกรรมอย่างเงี้ยหรือว่าแพทยศาสตร์ต่อท้ายเรื่องกรรมเรื่องศาสตร์ แต่พอเรามาทํากรรมฐานปั๊บเราก็ได้เห็นลัหน้าของอาการนะที่เป็นเรื่องของพุทธศาสตร์นะรู้ตื่นเบิกบานนะแสดงปรากฏออกมากันนะตอนนั้นเป็นวิชาที่องค์สมเด็จสมัมมัญจ่าสัมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้นำเอาไว้หลังจากที่ท่านรู้แล้วบอกต่อกันสองพันหกร้อยกว่าปีมันเป็นวันนี้ของเรานั่นแหละทุกครั้งที่รู้สึกตัวภาวะพุทธะ น, น้อยพุทธะขณะเดียว ขณะดจิตเดียวได้ปรากฏออกมาอันนี้นเป็นวิชาทุกครั้งที่รู้สึกบางทีอาการของกายก็ชัดเราก็รู้สึกที่รูปธรรมบางทีอาการของจิตก็ชัดเราก็รู้สึกที่นามธรรมเมื่อรู้เราก็ไม่ปรงุงเมื่อวิชามันเกิดวิสังขารก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าอาวิชาเกิดขึ้นมาตัวสังขารก็เกิดขึ้นมามันก็ปรุงทันที มาปรุงกับพัฒนาตัวเองไปสู่ลักษณะของความทุกข์ที่เรียกว่าอันตรานอันตรภานทั้งหลายก็คือสภาวะทุกข์เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้ามันรู้ขึ้นมามันก็เป็นวิชาพาไปสู่นิพพานนิพพานก็คือรัษณะของอย่างเช่นอากาศตอนนี้มันเย็นนะนีมันเย็นก็นิพพานลษณะของจิตใจที่มันเย็นก็เป็นนิพพานมันสงบมันหยุดมันเย็น เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันก็มีสาระอยู่ตรงนั้นสาละดีๆเกิดขึ้นไหมก็เกิดการสร้างสรรค์จะคิดก็สร้างสรรค์จะพูดก็สร้างสรรคจะทําอะไรมันก็เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาบอกแก่กาละเทสะมีความพอดีพวกนี้มันก็เป็นคุณภาพ ล, ละละนะใหม่ๆเราฝึกความรู้สึกตัวแต่ต่อไปมันก็ไหลไปเอียงไปเทไปมันก็จะหล่าตกลึกลงไปในล่องของความเป็นกลางความเป็นปกติธรรม เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานเพราะนั้นผู้ศรัทหาสอนเรื่องบุญก็จะได้รู้จักบุญสอนเรื่องทานก็ได้รู้จักทานสอนเรื่องศีลก็ได้รู้จักศีลเรื่องรู้จักสมาธิรู้จักปัญญามันเป็นยังไงกันแน่เียไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเพราะนั้นเนี่ยละมาอยู่ในร่วมเวลานี้ปีใหม่เ้าใช้เทศกาลปีใหม่ที่ราชการก็ถือว่า เป็นบรรยุไม่ถือว่าเป็นวันลาเราก็มารวมตัวกันใช้เวลาใช้สถานที่ใช้สิ่งแวดล้อมใช้คําพูดน้อมเข้ามาเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ตัวใครตัวเราก็เป็นครูสอนตนเป็นครูสอนตัวเองกันต่างคนก็ต่างเดินเหมือนกับที่ทํากันเมื่อวานนั่นนะต่างคนก็ต่างแย่กันไปอยู่ในที่ในทางมีทางเดินจงกลมให้ ถามว่าเดินกี่ก้าวไม่ต้องถามกันนะเราก็เดินเท่าที่มันมีทางให้เดินนะั่นนะทําไว้นั่งก็มีเก้าอี้ให้นั่งตอนนี้ก็มีอยู่ข้างๆนี่อีกนะเก้าอีนะ้เนี่ยเราก็หยิบกันไปชอบมุมไหนก็ไปนั่งกันที่มันสงบๆวิเวกหน่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเก้าอี้มาเก็บหลังจากใช้เสร็จเนี้ยเราก็ช่วยกันดูแลนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับว่า ตามที่หลวงพ่อเขียนท่านนําเรียวไว้เบื้องต้นก็คือถือว่าเป็นบ้านของพวกเราเป็นครอบครัวสาธิตนะที่ต่างคนต่างมากันแต่ว่าเราต่างคนต่างเป็นญาติกันมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติธรรมเพิ่งได้มาพบหน้ากันเห็นกันแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กมาด้วยนะอย่างเมื่อวานเย็นจะมีเด็กเสียงเด็กเนี่ยดังอยู่แถวๆนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นญาติมิตรของพวกเรา เสียงเด็กที่ดังเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านเคยพูดว่าดีกว่าฟังเพลงเวลาฟังเพลงครับปุ่มก็แต่งนะเสียงเด็กบริสุทธิ์กว่าเราก็ไปเอามาเป็นความลําคานเราก็เป็นแล้วนะของเสียงที่เป็นครูสอนเราเสียงเด็กที่มันดังสักแต่ว่าเสียงเฉยๆใจเราก็ปกติรู้อยู่เป็นธรรมชาติมากมายเหลือเกินเป็นสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนช่วยเราให้เราเหมือนกับว่า ได้ฉลาดขึ้นมาเกิดสติเกิดปัญญานะความรู้สึกตัวกายเกิดไหวใจรูนะ้ใครมาใหม่ๆนะอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังนะเพราะว่าเพิ่งมานะแล้วก็ข้อมูลก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะเห็นว่าสุกโตตามเว็บไซต์ก็าเป็นสถานที่พักผ่อนจิตวิญญาณพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะแต่ว่าพักผ่อนที่แท้จริงก็คือตรงนี้นะการที่เรา ฝึกให้มีสตินะรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายนะจะมีการเดินจงกรมนะเดินไปเดินกลับจะมีการนั่งสร้างจังหวะการนั่งสร้างจังหวะทําไมต้องนั่งสร้างจังหวะครเพราะว่าเดินมันเมื่อยการนั่งสร้างจังหวะเพราะเดินมันเมื่อยการเดินก็เพราะว่านั่งมันเมื่อยมันกลับไปกลับมาแต่ว่าเราจะไม่รีบลุกรีบนั่งจนเกินไปนักเพียงแค่ว่า พอมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นว่าเออความคิดมันขอเปลี่ยนหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้งเราจะไม่ได้ทําตามเหมือนกับที่เราเคยทำผุดลุกผุดนั่งหรือว่ารีบร้อนเกินไปนักนี่เหมือนกับเราขับรถรุ่นใหม่ๆหน่อยเนะี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันจะมีระบบช่วยเหลือเราเช่นเวลาเราเหยียบคันเร่งน่ยนะแล้วก็มันเมื่อยเท้าขับทางไกนะลเนี่ยเราก็เอาเท้าออกมาซะจากคันเร่ง และเราก็ใช้มือนะครับรถก็จะมีครุยส์คอนโทนเราวิ่งเหยียบได้สักร้อยหนึ่งเรากําหนดเอาไว้เราก็ปรับล็อกที่นิ้วเลยใช้มือขับหลังจากล็อกไว้ที่นิ้วความเร็วของรถก็จะวิ่งอยู่ร้อยอยู่ตลอดเวลาเวลาพอเราเจอรถคันหน้าปั๊บเราจะต้องผ่อนคันเร่งแล้วก็ปดลบลงมาใช้นิ้วขับเวลาทางถนนว่างๆแล้วก็บวกขึ้นไปใช้มือขับนิ้วขับเนี่ย ก็นั่นหมายถึงว่าเยเราขับเคลื่อนลักษณะของกรรมาฐานหรือว่าวิปัสสนาญาณรู้สึกตัวรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้มือก็คือกายเท้าก็คือกายจมูกเวลาหายใจลมหายใจก็คือกายท้องพองยับก็คือกายมันก็สามารถที่จะรับรู้โดยเจตนาแลว้วก็ไม่ได้เจตนานะทั้งหมดเลยแม้กระทั่งความคิดว่าไหวก็ตามตัวนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของนบักบวช ก็ขอให้การมารวมตัวของเราในข่าวครั้งนีนะ้ก็เป็นการประบัตธรรมเพื่อที่จนะปรารถนาเดินทางนะสู่โลกนของที่สุดแห่งกองทุกขนะเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายนะก็ขอให้คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆนะ์เป็นสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราได้สามารถนะเห็นธรรมมาสมควรแก่การโดยบัตนะดโดยตัวนาการทุกท่านทุกคนทัานเื่น